โมทโนาของเราที่ได้ตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราศึกษาในคำภีพระสุกันตปโดกทีแระนิกายปฏิกวะว่าโดยเรื่องสังคีติสูตรในสังคีติสูตรเนี่ยที่บอกว่ามีคำอธิบายตามลำดับดังที่ได้กล่าวครั้งที่แล้วนี่ เนก็คือว่าในสูตรนี้พระพุทธเจ้าจาริกไปที่แฟนมนลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปแล้วก็ได้สเสด็จถึงกรุงปาวาของพวกมละสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สวนม่วงของนายจุนท่าสมมลบุตรเขตกรุงปาวานครนั้นครั้งที่แล้วก็ได้ ศึกษาจากเริ่มต้นเป็นไปตามลําดับแล้วก็ได้พูดถึงธรรมะหมวดหนึ่งธรรมะหมวดหนึ่งที่ได้พูดในครั้งที่แล้วที่บอกว่าสัพเพสตตาอาหารัติติกาเป็นต้นที่บอกว่าสัพทั้งหลายทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอยาหารแล้วก็สัพเพสตตาสังขารัติติการสัพทั้งหลาย ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสำคัญทีนี้ในประเด็นสองประเด็นสองความหมายที่ท่านพระสารีบุตรนำเอาพระพุทธพจน์มาเรียบเรียงร้อยกองขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ทิกสูสงพุทธบริษัทได้ช่วยกันรวบเรียบร้อยกองวิธีในที่บอกว่าท่านพระสารีบุตร บ, บอกว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละเลยทั้งหมดหนึ่งประการที่พระพูมีประภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นฝ้ารานจากสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราดไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้ธรูอาจารย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดารงอยู่ได้นานข้อนั้นจุณเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูนแก่คนหมู่มาก มาจะคํ า, าว่าพหูชนะอกทายะเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากมาจะคํ า, าว่าพะหูชนะสุขายะเพื่ อ, อุูคอ์ชาวโลกก็มาจะคำว่าโลกาบุกรมตายะเพื่อประโยชน์อัคทายะเพื่อกู้คูเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นคำว่าธรรมะหมวดหนึ่งเนี่ย บอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดารงอยู่ได้ด้วยอาหารกรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะดารงอยู่ได้ด้วยสังขารเนี่ยคําสอนแค่นเนี้ยออท่านที่มีปัญญาทั้งหลายใน เ, เวลาท่านฟังเหล่านั้นท่านแทงตลอดสัจจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวท่านแทงตลอดสัจจะได้ยังไงที่บอกว่าคําว่าอาหารในที่นั้นท่านแปลว่าปัจจัย ปัจจัยควรจะได้แก่ธรรมทั้งปวงเนี่ยและปัจจัยนั้นจะยังผลใดๆให้เกิดขึ้นก็ย่อมขึ้นว่านํามาสึุปผลนั้นๆดังที่ได้กล่าวอย่างที่บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาวิชชาเรากล่าวว่ามีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารคำถามว่าอาวิชชาคือความไม่รู้คือความหลงนี่คือความมืดบอดเนี่ยคือการแทงไม่แทงตลอดสัจจะเนี่ย เขามีอาหารมีปัจจัยมันท้องมันกระดูกนี้อะไรเป็นอาหารของอวิชชาแบบนิวนรห้าการมาฉันทะนิวรพยาบาทถ้ากรารมาฉันทะนิวรเนี่ยเครื่องกั้นคือกรารมาฉันทะอันนี้หมายถึงพวกกลุ่มพวกความยินดีควา ม, ามพอใจความเพิดเ พ, นเพินในการมาคุณถ้ายาบาทนิวร น, นี่คือเครื่องกั้นเครื่องกั้นคือพยาบาท ไอ้คำว่าพยาบามดีคือเขาแปลว่าการคิดปองลายเขาวันก่อนมีโยงคนหนึ่งเ็าบอกว่าก็มีคนมาเอาสถานการณ์ในภาคใต้มาใชใ้ดูทหารก็ไปถ่ายภาพเกี่ยวกับที่ว่าโดนยิงโดนตัดถึงว่าโดนอะไรเนี่ยนะม่ชพอดูภาพนั้นมาแล้วะเป็นเดือนเค็คี่บอกหม้อยากจะให้คนที่มีอำนาจ อยากจให้แก่ยรดาที่เงียบหน้ามีอิทธิเลนต่างเนี่ยทำให้ฟ้าผ่าวพวกช่วยตายหมดเลยกัคิดลักษณะเนี้ยเนี่ยเป็นมิจฉาบรรลุเพราะว่าในลักษณะในคิดแค่เนี้ยคบลงโปรดอง์กรรมบาแล้วถ้าความคิดลักษณะเนี้ยถ้ากรรมประเภทนี้ส่งผลก็คืออบายทุกขติวิบัตินั้นฉันั้นการคิดให้เขาวิบัติเนี่ยถ้าคิดแค่โกรธธรรมดาไม่เป็นไรเนี่ย แต่พี่ยังไม่จจว่าเป็นพยาบาทที่จะเป็นอักุศนกรรมาบทถ้าบอกว่าเออขอให้มันมีการเป็นไปมันลบหายไปจากอะไรต่างไม่ขอยถูกลดทับ ถ, ถู ก, ถ ก, ถกอะไรเงี้ยนะถ้าคิดลักษณะเนี้ย น, นี่เป็นพยาบาทเป็นอักุศนกรรมมาบทแล้วครบองค์แนละ้วคําว่าครบองค์แปลว่าอะไรมันกรรมประเกทนี้ส่งผลในปฏิสนธิการไนดะ้ แต่ถ้าโกรธเฉยๆเนี่ยไม่ส่งผลในปฏิสนธิการเนี่ยถ้าโกรธแหมพูดไม่รู้ เ, เรื่องอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาด ว, ว่าแช่งชักาทางกระดูกให้เขาไปตายหรือให้เขาประสบความวิบัติกนี่นะเคยคิดใช่ไหมแบบนี้แต่การที่ทํามาแล้วก็ชื่อว่าทำมาแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสานานเนี่ยเราต้องไม่คิดอาา้างฆาตต้องไม่คิดฟองร้ายเขาคือเวลาจะคิดถึงใครก็ให้มีเมตตาเป็นไปกับความคิดนั่น แล้วเราจะได้เราจะไม่ขาดทุนเนี่ยแต่ถ้าเราคิดแล้วเ่ให้โทรสาพเกินไปแล้วก็คิดว่าเออให้มันวิบัติเร็วๆนะหรือว่าให้มันอายุสั้นก่อนให้มันมีโรคร้ายก่อนเออขออย่าให้มันไดเจริญรุ่งเรืองอะไรต่างๆเลยรักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพยายบา่คิดปองร้ายครับ ทีนี้ถ้าคิดฟองร้ายเขาในลักษณะอย่างนี้มันเป็นอกุศลกำหนดอกุศลกรรมประเภทเนี้ถ้านำปฏิสนทิก็สี่ภูมิโดยมากก็คือสัตว์นรกลองลงมาก็เปรียบบังอสุ ร, รกายบังสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ตรงเนี้เพราะกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มาอย่าอสุ ร, รกาย ถ, าถ้าการรมประเภทเนี้ส่งผลก็ยังปฏิสนทิแต่ถ้าปรดธรรมดาเนี่ยเขาไม่ไม่ส่งผลในปฏิสนธิกา แต่เขาส่งผลในประวัติการอาจจะทำให้รูปร่างหน้าตาไม่น่าดูตอนพ อ, พ, อพออายุมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าก็ทำใ ห, หม้มีการจะต้องเสียโฉมอะไรก้ไงมตอนอันนี้ทนการโตกเทเ็ฉยหรือว่ารุ่มไม่งามอยู่ไม่มีดีเลยนะไอ้กรณีที่ว่าไปทำกรรมประเภทเทยบบัตอันนี้ก็ถ้ารู้ตรงนี้ก็พยายามจะคิดอะไรก็ละมั่นล้ว่ นั้นสิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้ยไม่ใช่พระเจ้าตนบรรดาลให้เราแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นทําอะไรให้เราไม่ใช่พ่อแม่ทําให้เราไม่ใช่พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายทาให้เราไม่ใช่ญาติโกรหรือไม่คนอื่นหรือไม่ใช่เพื่อนฝูงทำให้เราแต่กรรมเหล่านี้เราเป็นผู้ทำเองใช่ไหมเรา ท, ทําของเราเองเรา ไ, ได้เราเองถาว่าเราจะได้ร้องเราจะไปร้องหาความเป็นธรรมกัน ใช่ไหมถ้าเราได้รับตรงนั้นนะนี่ก็เรียกเทียบบัตแล้วก็เป็นทีนนมิธานญิวรนแล้วก็อุทธาจาิวรนด้วยตรงเนี้เป็นเครื่องกั้นของเป็นอาหารของอวิชาถามบอกว่าญิวอนจะ ม, มีอาหารไ้ยตรงนี้ญิวอนไม่ใช่ไมนมีอาหารอะไรแล้วเป็นปัจจัยเกิดญิวอนอะโยหิโสมนัสิตาม อาโยนิโสมนัสิการก็แปลว่าการคิดโดยอุบายที่ไม่แยกแคายคือคิดผิดเนี่ยการใส่ใจไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีไม่ถูกอุบายตรงนี้เนี่คือค right. ิดแล้วเป็นปัจจัยเกิดความโลภคิดแล้วเป็นปัจจัยเกิดความโกรธคิดแล้วเป็นปัจจัยเกิดความท้อถอยคิดแล้วเป็นปัจจัยเกิดความฟุ้งซ่านคิดแล้วเป็นปัจจัยเกิดความสงสัยถ้าใส่ใจต่างๆแบบนี้แล้วเป็นปัจจัยเกิดนี้วันเขาเรียกอาโยนิโสมนัสิการ อันนี้เป็นอาหารของนิวถ้าท่านบอกว่าเอาวิชาของนิวรณ์เป็นอาหารนิวรณ์ก็มีอโยนิสงฆ์นาฏิกาเป็นอาหารและอยโยนิสงฆนาฏิกาเนีนมีอาหารหรือไม่นี้ ม, มีอะไรเป็นอาหารมีอาสัตาธรรมคือไปฟังคําสอนที่ผิดๆมา คือไปฟังคําสอนที่มันไม่ใช่เป็นศีลไม่ใช่เป็นสมาธิไม่ใช่เป็นปัญญาไม่ใช่เป็นสักขาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเลยไปฟังอศัศจรรย์ธรรมนะฉะนั้นการฟังอศัศจรรย์ธรรมเนี่ยนะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเ ป, เ, เ, เ, เป็นต้นเหล่านี้เป็นปัดใจใเกิดการคิดที่ผิดถ้าถามว่า อย่างเมื่อเมื่อเอคืนเนี่ยเรไปดูด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะท่านก็ท่านเก่งท่านเปิดสร้างสามารถเอายาเอากัศลงได้คือมีความหล่ามากมากเป็นคนไทยเราเนี่ยไปอยู่เมริกาแล้วสามารถเอายาลงจอดอ่ะความคิดแร้วแม่โอ้เก่งมากคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ทีนี้พอคิดในลักษณะอย่างนี้ได้บอกว่า ดังนั้นเวลาเสียงด่าเนี่ยไม่เห็นต้องไปโกรธเลยว่าเสียงด่าเนี่ยไม่ต้องไปโกรธเพราะว่าไอเสียงด่าเนี่ยมันก็เป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงอ่ะมันมั น, ม, นมันวิ่งออกมาแล้วก็ม า, ากระทบกับแก้วหูแก้ว ห, หูก็มีการสัน่นมันไม่มีอะไรในนั้นเลยมันเป็นสาสารมันเป็นพลังงานทั่มหวดขึ้นที่จริงการพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ แต่มันไม่ใช่รู้แค่นั้นคือการรู้แค่นั้นเน่ยยังไม่จัดว่าเป็นสมาทิฏฐิที่ถูกต้องรู้บูรณามันเป็นการรู้พื้นฐานตางภาษาศาสนาถ้าทางภาษาศาสนาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ารู้เพียงแค่นั้นเขาต้องรู้ว่ารูปไอ้เสียงเนี่ยอันนี้เป็นรูปนะหูเนี่ยนะไอ้โสตประสาทเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปนะแต่จิตเนี่ยนะไอ้โสตวิญญาที่เป็นอา ศ, าศาัยหูเนี่ยอันนี้เป็น เป็นนามเนะียนี่เขาแยกกันได้ขนาดนั้นนะนทีนี้พอแยกได้ขนาดนั้นเนะ่ยเขายังต้องรู้อีกว่าเสียงเนี่ยเกิดจากอะไรเสียงเกิดจากมหาปูถรูเพราะเสียงมีเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปเที่ยงใสมหาปูถรูทีนี้มหาปุถรูเนี่ยเ ท, ที่ยงหรือไมเที่ยงผมไม่เที่ยงแล้วเสียงเที่ยงใสมหาปูถารูนั้นจักเที่ยงแต่ที่ไหนนี่นะะ เสียงไม่เป็นอุปาทายุครูปมาอาศัยมหาปุสโรภูมิเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เสียงก็ต้องเป็นทุกข์ดเพราะเกิดจากปัจจัยเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ไอ้มหาปุสรูปที่เป็นปัจจัยเกิดเสียงก็เป็นอนัตตาคือคอนโทรลไม่ได้เราจะไปบังคับเสียงไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ดับก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนจึงเป็นอนัตตาถ้าหากว่ามองเห็นว่าเสียงหู วิญญาณเนี่ยไส ห, หูประชุมกันเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยทีเกิดเวทนาถ้ามองคําสอนได้ตลอดสายอันนี้ชัดแต่ถ้ามองไม่ตลอดสายเนี่ยก็ไปติดอยู่กับคําว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแค่วิจัยรูปไม่ใช่วิจัยนามนั้นะตรงนี้ยถ้าถามบอกว่า อโยนิโสมนติกามีอาหารนั้นนี้มีอสุธรรมคือฟังสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกมาเพราะฟังสิ่งที่มันไม่ถูกมามันก็เป็นปัจจัยกาน ค, คิดผิดคือเป็นอโยนิโสมพอคิดผิดมันก็เป็นปัจจัยเกิดกามฉันทะบ้างพยาบาทบ้างือนามทธาบ้างอุทธจักบ้างแล้วก็วิชิกิจฉาบา้างเข้าใจไหมฉะนั้นไอ้ตัวโยนิอโยนิโสมันจึงเป็นปัจจัยเกิดที่วอนนี่วอนมัเป็นปัจจัยเกิดอวิชา พออวิชชาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเกิดสังขาราตามๆ้งสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ น, นามลูกจรารยเจตนะปัสสาะเวทนาตันหนาวปานาควะชาติรามรณาสโสกกาปริเทวทุกขะโ ท, ทมรณะาและอุปายาความเกิดขึ้นเองกองทุกทั้งมวลนี้ได้ด้วยประากาศอย่างนี้เพราะว่าจารยมันถึงปิดหมุนไปอย่างนี้ไงนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามว่าอาสัตยธรรมนี่มันมาจากอะไรมาจากป่าปมมิตร มาจากการครบมิจฉุ่วใช่ไหมคำว่าคบมิจฉุ่วนี่คือไม่ได้คบพระพุทธเจ้าไม่ได้คบสาวกของพระุทธเจ้าด้วยนะทีนี้การครบปาปะมิจเนี่ยมีมีเหตุไหมมีอาหารไหมนี่อะไรล่ะคือการอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรนั่นเป็นอาหารของตาตมิจถ้าไปอยู่ในถิ่นที่ไม่มีพระาศาสนาเข้าไปถึงก็ก็เป็นเป็นโทษแล้ว ถาอกว่าการอยู่ในถิ่ที่ไม่คึ่งพรมีอาหารไม่ก็เราต้องมีอะไรก็ปุกเพสอะคือการการไม่ได้ทําบุญไว้ในทางก่อนอันนี้ก็เป็นไปนในรัตน์กันหน่างนี้ฉะนั้นคำว่าอาหารคือปัจจัยนี้ประสงเราในสูตรนี้ทีนี้ก็คือเอาปัจจัยเป็นอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นการถือเอาทั้งหมดทั้งอาหารโดยออมแล้วก็อาหารโดยใช้ทีนี้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้น พวกนักบวชในลทัทธิเดรถัถยิทำบริกรรมในวายกสินยังชาตที่สี่ให้เกิดขึ้นแล้วอันนี้หมายความว่าบริกรรมวายกสินเนี่ยวายกสินนี่คืออารมณ์เนี่ยนะออกจากชาตแล้วก็เกิดความดีดชอบใจหน้าตีเตียนจิตว่าจิตนี้หน้าตีเตียนแท้ชื่อว่าการไม่มีจิตนะ่ะเป็นความดี เพาอาสัสยจิตจึงเกิดความทุกันมีการข่าการจองจำเป็นปัญหาเ่อมันมีอยู่ปรุ่มหนึ่งน ะ, จะเจริญวายโยรสิได้จตุตัชฌานทางที่สี่ก็เอาจตุตัชฌานมาเป็นบาตมาเจริญสัญญาววลาคาพลตีเตียนจิตดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ถ้าเรามายแยกแยะ ก, กันนะระหว่าง น, นามกับรูปเนี่ยระหว่างจิตกับกายเนี่ย สิ่งที่ทําให้เราพุ่งเนี่ยถ้าคิดแบบสามบรชนเนี่ยคิกจิตเนี่ยใช่ไหมทาให้เราบอกว่าเช่นหิวเนี่ยจิตมันอยากจะเดินน่อหรือขาก็ต้องเดินไปตามจิตจิตมันอยากจะพูดนะนะมันพูดไม่ได้เราจิตเนี่ยมันจะทำให้มันก็เป็นการกําหนดเป็นปัจจัยทําให้วาโยธาขับเคลื่อนทําให้ปากมีการขยับขลื่อนทําให้สายเสียงก่องเสียงมีการเปล่งออกมาต่างๆอนี้เป็นต้นอันนี้เฉพาะจิตเนี่ย ถ้าเจอยากจะดู้ก็มีไอ้วาโยธาจะคัดผันไปที่ อ, อวัยวะ่าวที่ตาแล้วก็เปิดเปิดตาข้างบนขึ้นข้างล่างลงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําลูกตาให้ตั้งตรงแล้วตรงหัวจอบมองเนี่ยเป็นเพราะวาโยธาตแต่ไอีเบื้องหลังของวาโยธาไม่คือจิตไอ้เนี้ยนะถ้าจิตอยากจะฟังขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เอาละก็เป็นเอตเป็นปัใจาการตั้งนิ่งตั้งอวัยวะนิ่งตะแครงหูไปนะ่นนะ ได้ ว, วายรธาจะพักขันไปทําให้ร่างกายขันไปตามความต้องการความประสงค์ของจิตแล้วก็ท่านใจที่จะฟังถ้าจิตมันอยากจะชิมอาหารขึ้นมาจิตเองมันชิมไม่ได้หรอกมันก็มันก็เป็นปัจจัยให้อวัยวะเก่าวคือ ม, มือเป็นต้นไปจับช้อนจับอะไรต่าจิตเป็นคนดําเนินการไปเสยแหละและยิ่งไปกว่นั้นก็คือว่าเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาไอ้จิตนี้เองเป็นคนทุกข์ว่าแน่นเลยเขาก็เคิด็ดเขาเๆแบบเนี้ย ง้นถ้าหากว่าคิดโดยปราศจากปราศจากความอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าสาวของพระพุทธเจ้าเป็เจ้าอะไรเนี้ยมันจะคิดออกรอกทางเนี่ยบรรดาเนะี่ยคิดทั้งหลายเนี่ยมันคิดแบบนี้มันดูเหยียดกว่เยอะนะถ้าบอกว่าระหว่างจิตกับรูปเนี่ยบอกว่าเออที่ความทุกขทั้งหลายมีได้ก็มีจิต <c oughs> เมื่อเขาคิดอย่างนี้เศ็จ เ, เนี่ยเขาก็เลยคิดบอกว่าเมื่อไม่ เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีจิตทุกก็ย่อมไม่มีไม่เสื่อมชางซึ่งชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นแหล่สัญญาณสัจพุบุคคลเหล่านี้เ็าทำกรรมเลยทีนี้การทำกรรมของบุคคลเหล่านี้เขาทำยังไงเขาก็ทำกรรมด้วยการเจริญสัญญาวิลาคาโทนะใช้ตัวสมาธิที่เขาได้เพิ่อจิตเลยไม่ดีดีพอใจในนามมาทำ ในจิตใช่ไพอไม่ยินดีพอใจในนามธรําในตัวชานนั้นมันคงต่อมาในเวลาเขเส้นชีวิตเพราะอำนาจของชากระมาบาตัตรของเขาเนี่ยนะเขาตายปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ไปเกิดไอ้คาว่าไปเกิด่มันไม่ใช่ลอยไปอย่างยิงปืนนะอย่างยกตศสยามก็ตายปุ๊บเนี่ยนะกรรมเจตนาในกรรมของเขาในฌานน่ะ ไปสร้างรูปของเขาให้เกิดขึ้นมามนแต่เวลาสร้างรูปเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกรรมนี่นะมันเป็นไปตามธรรมชาติของกรรมนี่นะมันเป็นไปตามกระบวนการตองกรรมตามอยู่ตามปัจจัยแต่ไม่ไี้ไม่ได้มีคนสร้างนะแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำเัาไว้เนี่แหละมันเป็นตัวเจตนารามตัวนี้ยไปทํารูปให้ตั้งขึ้นถ้าทา่านผู้นั้นอยู่ในเอียบทนยืนี่นะก็ไปทํากรร ม, มชรูปเป็นต้นหลังเนี้ย อยู่ในอียาบทยืนในตั้งขึ้นในอสัญญสัจพกถ้าท่านผู้นั้นอยู่ในอียาบทนอนใช่ไหมก็ทํารูปของอสัญญาสัเนี่ยให้ไปตั้งขึ้นอยู่ในอสัญญาสัจพกเนะี่ยอยู่ในอียาบทนอนถ้าหากว่านั่งใช่ไหมในขณะที่ท่านจะตายนเนี่ยนะท่านนั่งอยู่ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ใ น, น, ยในียาบทนอนเนี่ยนะ แกิดในถ้าท่านอยู่ในญอียบวดนอนนี่นะเวลาท่านไปเกิดอยู่ในอสัญญาสัตว์ภพนี่นะก็ไปอยู่ในอีรยบวนอนเออย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอสัญญาสัตว์ฉะนั้นในอัญญาสัตว์เนี่ยก็แปลว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไอ้สัญญาในความหมายนั้นก็แปลว่าจิตนะก็คือว่าสัตว์ที่ไม่มีจิตซึ่งเป็นแปลกมาก ถามว่าในบรรดาหนาังเรื่องาสเนี่ยยังไม่เคยเคยเจอสัตว์บริเวณเนี่ยคือไม่มีจิตแต่มีแต่รูปเหตุผลของท่านเหล่านี้ก็คือว่าท่านไม่ชอบจิตท่านบอกว่าท่านคิดว่าอันเนี้มันเป็นนิพพานของท่านเป็นความหลุดพ้นของท่านแต่มันเป็นความหลุดพ้นที่ไม่ถาวร แค่ว่ามันสบงบกิตได้ชั่วระยะหนึ่งก็คือห้าร้อยขั้วห้าร้อยหาด้วยกําลังของฌานที่ยังไม่เสื่อมทีนี้เจตนากรรมในฌานเนี่ยมันเป็นกรรมที่มันมีกําลังมากมันเป็นกรรมที่ทําพร้อมกับได้หรือตัวเได้ฌานได้สมาบัตินี่กรรมประเภทนี้เขาเรียกเป็นมหาขจารกรรมกุศลประเภทนี้เขาเรียกมหาขจากรกุศล เป็นกุศลที่มันมันประเสริฐที่ประเสริฐเนีไอ้คำว่ามั น, ป, นประเสริดฐในที่นี้มันประเสริฐแปลว่ามันนานน่ะมันสามารถไปอยู่อย่างนั้นได้นานๆทีนี้แต่การไปอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี้คือกลุ่มที่คิดเองแล้วคิดผิดและครูบาอาจารย์เก่าๆในลัทธิเดริตีทั้งหลายเนี่ยเขาสอนในในกลุ่มหนึ่งตอนแบบนี้ถามบอกว่า พวกนี้เนี่ยถ้าเขามีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้าเนี่ยกลุ่มเล่ามี้บรรลุเนี่ยพะเขาก็เคศตีเหวิกับหมูคลหุคคนมีปัญญาค่อนข้างเยอะเพราเวลาไปเกิดเป็งพวกอัจฉรยาศรรยาสตร์เนี่ยนะเป็นประดุจว่านอนอยู่ตลอดกาลรอือเพียงนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่มีรูปอย่างนี้ก็ย่อมได้ปัจจัยคืออาหาร ามว่าสัตว์เหล่านี้เจริญฌานใดแล้วไปเกิดฌานนั่นแหละย่อมเป็นตัณใจของสัตว์เหล่านั้นฉะนั้นจะถามว่าสัตว์เหล่านี้เวลาไปเกิดนี่จะรูปอย่างเดียวเขาไม่ได้กินอาหารเนี่ยถามว่าสัตว์เหล่านี้ดารงอยู่ได้ด้วยอาหารได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าฌานน่ะในอดีตเน่ะเทตนากรรมในฌานทั้งเทานั่นแหละเป็นอาหารให้กับสัตว์เหล่านี้พราถามว่าสัตว์ล้วสัตสังสัพเทสัตตาอาหารลัทธิติการ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดารงอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารเท่นะั้นแต่ว่าปัจจัยชะนักการที่เขาไปอยู่เฉยๆเรื่องนี้ เ, เขามีปัจจัยในอดีต้าจะบอกว่าเป็นพวกที่พักผ่อนยาวที่ใช่ไหมจริงๆนะจะกมพวกตระกทตีเอาละกลุมไม่อยากพ้นทุกเนี่ยนะจริงเนี่ยนะแตอยากจะพักยาวนี่นะต้องจเจริญใจ บอกว่าแต่เวลาเป็นภาคอย่างนีแล้วนั่นไม่มีโอกาสเลยนะเพราะจิตไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เลยชั่วระยะเวลาไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีอะไรเพราะไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตก็ไปอยู่อย่างนี้แล้วจะแปลกอย่างละลูกก็ไม่เน่าที่ไม่เน่าเพราะมีกรรมัาชรูปหล่อเลี้ยงอยู่แต่นี้มีชีวิตแต่รูปรักษาอยู่ ระดับสัมพันยุตยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นเกลือ่อนเต็มไปหมดเยอะมากแต่คนเดินไปเนี่ยไม่เห็นนั่นแหลคนไม่มีระดับตาที่เ่็งพระพุทธเจ้ามองตัดเหล่านี้ไม่เห็นลูกเขาละเอียดมากอย่างนี้เลยท่าอย่างนี้นักวิีอาศัยก็หมดสิหมดสิที่จะเป็นวิจัยแล้วใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพราะพระพุทธเจ้ามีมังสาจากสุกตาธรรมดา ตาธรรมดาพรองค์ก็ใช้มองสิ่งต่างๆปกติเนี่ยตาธรรมดาของพระเจ้าเนี่ยมองได้สิบหกิโลมตรตาธรรมดาไม่ธรรมดาเราคนระดับของพระเจ้าที่ใช้ตาธรรมดาโดยไม่ต้องใช้ตาที่เบื่เกิดมาก็ได้ฐานะอันนี้เลยแต่กว่าจะได้ฐานะอ น, นี้ทำกรรมเกี่ยวกับเรื่องตามาไม่รู้เท่าไหร่ควากตาแจกจ่ายไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหม นี่คือเจตนาตามที่ทำว่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยถ้าสาวว่าหนูมันเราทําได้นะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าสั่งสมอบรมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่แน่ถ้าศรัทธาถึงเมื่อไหร่เนมันทําได้อันนั้นก็รอไว้ว่าถ้ามันถึงเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะถึงเหตุ พอถึงแล้วแต่นี้ก็มันก็เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมมันเหมือนว่าเขาบอกมีคนคนหนึนงเขาเลี้ยงวนนัวเขาแปลกมากไอคนคนนี้ทําไมเขาแบกวัวได้เขาอุ้มได้สบายเลยนะวัวตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาอุ้มข้ามน้ำได้สบายเลยคือคือแค่นี้เขาจะต้องต้อนวัวในข้ามน้ําทุกวันไอ้ลูกวัวตัวเนี้ยมันไม่ยอมข้ามนะ ที่มามันออกมาใหม่ๆก็ต้องอุ้มข้ามทุกครั้งทุกวันเขาไปทำอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันมีอยู่ตัวเยอะไหมนะจากเดือนเป็ปีจากปีเป็นสองปีทีนี้นาข้าวนาข้าวเ ข, า, เข า, าลืมตัวไปนะค้าวเอ๊ะเราอุ้มได้ยังไง <laughs> <laughs> เขาแปลกใจตัวเขาเองไงตัวเขาเองเขาก็แปลกที่จริงเขาทำทุกวนันแล้วเขาอุ้มเนี่ยอุ้มแล้วก็เดินข้ามทุก ๆ, ๆไปที่แรกกับตัวเล็ก ทีมีการอุมทุกวันเนี่ยอวัวมันขยายตัวทุกวันทุกวันแต่ยังทําทุกวัน all all. ทุกวันจะอุมได้เราะเราในเวลาเจริญกุศลเราฟังเรามองเห็นคนที่เขาจะเจริญกุศลเราจีนเราทำไม่ได้อะที่จริงถ้าคนเขาทำทุกวันใช่ไหมเหมือนการทาบาปเช่นว่าตัดค้อเนี่ยใหม่ๆเขาไม่กล้าตัดนะเขาต้องเห็นก่อนใช่ไหมต้องใช้แรงจูงใจต้องฝึกต้องอะเยอะแยะไปแล้ว ในสุดจริงๆทำได้พอทำได้มาไม่ใช่ตัดคอคนเดียวแล้วตัดสองตัดสามตัดสี่เนี่ยบาปก็เหมือนยันถ้าทำเรื่อยๆเดีวก็มีกำลังบุญก็อนันนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะมองในมุ ม, มไหนเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ในายาเดียวกันแค่นั้นถึงบอกว่าฌานนเป็นปัจจัยของศักเหล่านั้น ทีนี้ปัจจัยคือชานนี่ยยังมีอยู่ตราบใดก็ย่อมดำรงอยู่ได้ตราบนั้นอุปมามเหมือนลูกศรที่ยิงไปเรื่อยแรงส่งแห่งสายแรงส่งแห่งสายยังมีเพียงใดก็พุ่งไปได้เพียงนั้นฉะนั้นเมื่อปัจจัยคือชานนั้นเน่ะนะหมดลงสัณฐเหล่านั้นก็ย่อมตกไปดุดลูกศรที่สิ้นแรงส่งแห่งสายฉะนั้นแต่เขาบอกว่าพวกอาสัญญาสัตว์เนี่ยนะถามว่า ถ้ากรรมหมดเนี่ยถามว่าถากรรมหมดหมายความว่าถ้าเขาครบอายุเขาครบอยุเขาเนี่ยมันก็จะอันตรธานันดีคือตายอะ่ะจุดติทีนี้รูปจุดติเนี่ยแล้วนา ม, มาทําเนี่ยที่ถูกกําลังของฌานกดทับไว้เนี่ยก็เกิดขึ้นันดี นี่นามธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไปรับอะไรไปในโลกในตอนนั้นใกล้จะตายไปรับกรรมว่าอารมณ์กรรมนิมิตหรือกติณิมิตก็ปฏิสัติทิฏต่อว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอย่างนี้เลยต้นทีนี้เหมือนว่าส่วนพวกต่างนรกล่ะไม่ได้เป็นอยู่ด้วยผลแห่งความมันทั้งไม่ได้เป็นผู้อยู่ด้วยผลแห่งบุตเหล่านี้มีอะไรเป็นอาหาร ถสัตว์นรกมีอะไรเป็นอาหารเขาบอกว่ากรรมนั่นเองเป็นอาหารของสัตว์นรกเรานเขาบอกว่าสัตนรกไปกินน้ําลายไปอยเองเราไฟลุกไหม้ไหมนะมัมีน้ําลายเหมือนกันแต่น้ําลายร้อนมากกว่นคือน้ําลายมันเดือดเดือดเป็นหลายพันองศา นั่นแหละมีมน่นั้นได้กินอย่างนะแต่ไม่แต่ไม่ตายแต่ถามว่าถ้าเราเห็นคนที่เขาป่วยหนักๆวันก่อนไปปอกไปไปเวลายอมันหนึ่งขโอยมาปอกไปพวาู้เขาติดค่าแล้เขาถึงมาปอกเอง เป็นคนหาเชา้ากีน้พอรับจาา้างเข้าไปเยอะไม่ดีเลยพอ้โหพอเราเห็นพวกเนี่ยท้องเขาจะโตขึ้นอย่างเยอะเละคือคือจะรับบทว่ะถาไม่ทรมาได้ยังกอทรมาแจะบอกอยากตายมันก็ไม่ตายใช่ไหม เืาอยากตายไม่ตายนึกถึงสัตว์นรกในสัตว์นรกเนี่ยความคิดอยากตายมากกว่าเราพี่เยออันนี้มันแค่ทพกขอย่างนี้มันเป็นทุกนิดนหน่อยในพวกนี้อันนี้สุขติภูมินะเขาเรียกภูมิที่มากเลย้ี่ความสุขเี่นสุขกันนะเนี่ยถือว่าสุขแล้วที่เปวดหัวปวดตาปวดท้องปวดแขนปวดขาอะไรถือว่าสุขนะอย่าไปเที่ยวไปแบบนั้นทุกขติภูมิเลย แต่เขาขเกษตรกรมีกึมมากเลยด้วยความทุกเห็นไหมว่ญญาก็เลยบอกว่าทนก็นไว้ในในโยบายกรมต้องบบนี้เยอะคือไม่มีโอกาสตายอ่ะเขาเยอนมันไม่เลี่ยนไหมมันไม่มีโอกาสตายอ่ะ ถ้าถ้ามันมีโอกาสตายมันก็บอกว่าอันนี้มันตายไม่ได้จนกว่ากรรมนั้นมันจะสิ้นนีมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากแต่อย่าบอกว่าเออเอาไปค่อยตัดนิ้วตัดมือตัดแขนตัดขาแล้วไปเรื่อยๆพอตัดจนครบเปิดเสร็จแล้วก็อ้าวเหมือนเดิมอีกแล้วก็ตัดใหม่อยู่เนี้ยแต่มันไม่ใช่ไม่ปวดเนี้ยมันปวดมันลวดร้าวมันทรมานเนี้ยนะ นี่เป็นนี่เขาเรียกว่ากรรมเป็นปัจจัยของสัตว์นรกเลยนะอาหารเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างก็นนะั้นหรือก็ต้องบอกบอกว่าอ่ะห้าอย่างหรือไม่ใช่บอกว่าไม่ท่านกล่าวไว้บอกว่าปัจจัยเื้อาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นสัตว์เราใดาเกิดในนรกด้วยกรรมใดกรรมนั้นเองจับว่าเป็นอาหารเพราะเป็นปัจจัยแห่งการดำเนลงอยู่ของสัตว์นะ ก็ต้องบอกว่าอย่าสาธุโรทั้งหลายเนี่ยเขาไปเกิดอยู่ในนั่นน่ะถามว่าที่เ็าไม่ตายนะเพราะว่ากรรมเน่ะเป็นตัวกำหนดเขาก็ต้องถือว่าเขามีอายุยืนเนี่ยนี่ยเขาทำกรรมประเภทนี้เอาไว้กรรมก็ทำให้เขาตายไม่ไดบางคนเนี่ยอยากจะตายทำไงก็ไม่ตายหลายหลายคนเห็นไปเยอะเลยมียองคนนึ่งเขาาเขาไม่กลัวเลยว่านั่นๆ่อะไรเยอะ แต่เขาตายไปก็แค่นั้นไม่มีอะไรก็ว่ากแม่ทีนี้พออยู่ต่อ ม, มาเป็นนานมาภาพพูดก็ไม่ได้ <c oughs> แต่แล้วใครมากันน้ำตาไหลเพราะไปเห็นท้านเนี่ยร้องไห้คือน้ำตาไหลอ่ะไอคนเป็นนานมา พ, าพูดก็พูดไม่ได้เนะนอนเฉยอยู่เ <c oughs> ขาน้องบอกว่าคือยังไม่สิ้นชีวิตตาพิบ่าประกรรมนั้นยังไม่หมดและในที่นี้ไม่คนจะต้องทีนี้ ประการต่อมาคือว่าเพราะแม้แต่น้ำลายที่เกิดในตาก็ยังให้สําเร็จกิตในีเชิงอหาหารแกสัตว์เหล่านั้นได้ น, นั่นสัตว์ลนี้ก็ถือว่านั่นแหละมีน้ำลายออกมาก็น้ำลายนั้นในโลงนับว่าเป็นที่ตั้งของทุกขเวทนานะคือถ้าน้ำลายของพวกจัตในสุขติภพ ก, ก็เป็นที่ตั้งของสุขเวทนาะอย่างาเราเนี่ย อยู่เฉยๆเนี่ยนะถ้ามีน้ำลายออกมาที่คนลิ้นที่ปลายลิ้นก็โอเคก็ก็ไม่ทุกข์ยิ่งพวกเทวดาทั้งหลายเขาต้องยิ่งมีความสุขเพราะน้ำลายเขาละเอียดไม่เหมือนเหมือนน้ำลายของมนุษย์ <c oughs> น้ำลายของของมนุษย์ น, นี่เหม็นแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็ไม่เหม็นรับกับตัวเองแต่หมายความว่าที่อยู่ข้างในนะ แต่ถ้าออกมาข้างนอกแล้วจะให้ตัวเด้งลงเนี่ยก็ไมเราแล้วใช่ไม้มแต่ว่ามันมันเป็นสุกร์ไงมันเป็นสุภเวทนาคือเป็นปัจจัยอะ่ะอย่าลืมว่าแค่น้ําลายเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยในการลำลองอยู่ของชีวิตคำสัตว์ได้แล้วน้ำลายเนี่ยทีนี้ถ้าสัตว์นรกนเนี่ย ไอ้น้ำลายของท่านเนั่นก็เป็นปัจจัยที้เหล่านั้นดำร ง, งอยู่ได้เหมือนกันแต่เป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาอย่างแต่และอันจัดทุกจัดในภูมิต่างๆเหล่าเนี้ยมีน้ำลายเนี่ยไอ้ตัวน้ำลายบางกลุ่มก็เป็นทุกขเวทนาบางกลุ่มก็เป็นสุขเวทนาทีนี้ส่วนในกามาพบโดยตรงก็มีอาหารสอย่างในกามาพบก็มีผัดสาอาหารมันใน ไปเตอาวอิญญาหารผัสส า, าหารมโนสัญเจตนาหารแล้วก็วิ ญ, ญญาหาังก็มีอาหารสี่สำหรับรูปะพกอรูปะพกยกเว้นอสันญาสัตตภูสพวกเนี่ที่เหลือนะั้นจะมีอาหารสามคือพวกรูปะคมพวรูปะคมมีอาหารอะไรมีผัสสาหาร มีมโนสัญเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารเวน้นเกวารินดาราเป็นไม่เหมือนพวกเราแต่พวกมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยมีอาหารห ย, ยาบๆแต่เทวดาก็าหารละเอียดใแต่อาหารที่เป็นนองคำเนี่ยกินคืคิน อ, อ, อันนี้เป็นปัจจัยให้อาหารจะรูปในร่างกายเกิดขึ้นมาก็หล่อเลี้ยงร่างกายาให้ดำรงอยู่ได้ง่ายๆก็คืย อ, ยอที่เรารู้กันก็คือวิตามินที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนั้นเป็นเา ว, วรารินดาราอาหารที่เป็นนองๆอันนี้ อาจายตรงนี้ก็สามารถเป็ น, เ ป, นเป็นทําให้สัตว์จำลองอยู่ได้เพราาไม่ใช่แค่นะสัตว์ตั้งหลายอยู่ได้ด้วยผัสาะด้วยถ้าไม่มีผัสาะเนี่ยเราจะมีความสุขได้ไหมนะความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยอันนี้มาจากผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะเนี่ยนําเวรนามาให้สสเข้าใจยังไงว่าเออที่เราเห็นคนนั้นแล้วเรายิ้มได้ เราฟังเสียงตรงนั้นแล้วเราสุขใจได้เรากินอาหารเระเรียกนี้เราสุขได้เป็นตัวเราเนี่ยฉะนั้นถัดจากอาหารที่จริงนํามาทั้งเวเลยนะแต่มันไม่ใช่นาแค่เวสุขเวรนาอย่างเดียวเนี่บางครั้งก็นําทุกเวรนาไม่ใช่บางครั้งก็บ่อยครั้งก็นําทุกเวรนาแล้วก็นําอุเวกขาเวรนาในชีวิตเราเนี่ยถามว่าที่เวรนาจะไม่เกิดไม่มีเลยทุกขณะจิต คิดทุกครั้งเวทนาจะไม่เกิดไม่มีเลยถ้าความคิดเกิดขึ้นมาเวทนาก็เกิดด้วยไอ้ เ, อเวทนาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมานั้นมีพันธะเป็นปัจจัยมีพันธะเป็นอาหารหดนั้นะไม่ว่าจะคิดถึงใครก็ต้องมีเวทนาก็กลับเดินลงมาบางครั้งก็เป็นสุขเวทนาบางครั้งก็เป็นทุกขเวทนาบางครั้งก็เป็นอุเบกขาเวทนาใช่ไหมอาจจะเมื่อเราคิดถึงบ้านเนะี่ยบางครั้งก็ดีใจ่ บางครั้งมักลุ่มจใจบางครั้งมันเฉยเฉยหรือว่าคิดถึงหน้าใครก็เหมือนกันใช่ไหมบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็ทุกใจบางครั้งก็เฉยเฉยม่อยู่เนี้ยฉะนั้นในความคิดทุกความคิดมันจะมีเวทนาเอ้เวทนามันมีผักษาเป็นปัจจัยขยายอย่างว่าฉะนั้นในความคิดทุกความคิดจะมีเวทนาเกิดร่วมด้วยครับนี่เวทนาเป็นธรรมะที่ควรจะเลยหรือควรกําหนดลง เป็นมะควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควรรู้จักเวทนาการรู้จักเวทนาเขารู้จักยังไงหนึ่งรู้จักสุขเวทนาทุกเวทนาและอนุกรรมสุขเวทนาคือรู้จักตัวเวทนาให้ดีก่อนสองรู้จักเหุ่เกิดของเวทนาคือผัสสะเนั้นคืออวิชาคือตัณหาคือกรรมคือผัสสะแล้วก็คือเป็นต้นเหล่านี้ยคือน้ต้องรู้จักเหตุของเวทนาเวทนาเหล่าที่มีอะไรกันดี ถ้าไม่มีอวิชาเวทนาต้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตัณหาเวทนาต้องเกิดไม่ได้ถ้าไม่มาาีกรรมเวทนาต้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารยุพันธะฐานเนี่ยเวทนาก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นไอตัวเวทนาเนี่ยมันมามันมีปัจจัยเอในทางภาษาศาสนาเนี่ยเรารู้จักตัวเขาเนี่ยยังไม่พอเนี่ยต้องรู้ว่าไอตัวเขาเนี่ยมีอะไรบินแนบอยู่อันนี้ต้องเขเยันไปรู้จิตใช่ไหม แต่ ถ, aki, ถ้าไปรู้จักเองว่าสุขเวทนาทุกเวทนาทุกความสุขเวทนาแค่นี้เมดพราะเวลาไม่เที่ยงเนี่ยอะไรไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของเขาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เพราะปัจจัยของเขาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาเพราะปัจจัยของเขาเป็นอนัตตามองเห็นไ่มอย่างนี้นก็จะเป็นไปแล้วส่วนไหนราะมันมันเป็นอย่างนี้ทเห็นนะว่าอารมณ์ อารมณอย่างเดียวเนี่ยนเนี่ยให้เวทนาไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าเขียนยกตัวองเสื้อผ่านวันนี้เวลาเราดูมันให้สุขเวทนาเพราะอีกวันไปดูมันให้ทุกขเวทนาเอ า, อามันให้ไงสมมติวันนี้ไปดูหูให้สุกขเวทานาเพราะอีกวันหนึงง่งอะให้ทุกขเวทนาัะดีใช่ไหม มันเพื่อนหรือมันขาดมันอะไรก็ให้ทุกตัเองถ้านั้นเ็หรือหรือว่าถ้ามันธรรมดาเนี่ยช้ยจนจินแล้วก็เลยให้อุเบกขาเวลานา เ, า เ, า เ, าเาแต่จริงๆเขาให้เวล า, วลานาไหมอันนี้คือคือตัดทีนี้ประการต่อมาคือบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารดังนี้ไม่ได้กำหนดหมายอย่างนี้ว่า เพราะเหตุไรจึงไม่ได้กําหนดหมายเพราะการที่จะเรียนจะสอนหรือการศึกษาเนี่ยในคําสอนเนี่ยนะในประเด็นว่าอาหารและปัจจัยได้กล่าวมาแล้วความแตกต่างอย่างน้อยที่สุดในปัญหาข้อนี้ก็คือนี่เป็นสังขารและปัจจัยพระสิวันเถรล้างกล่าวว่าเมื่อถือเอาอย่างนีอาหารโดยตรงก็ถือเอาในผลหลังในที่นี้โดยอาหารโดยอ้อความแตกต่างปรากแต่ว่าท่านไม่ได้ถือเอาอย่างนั้น ทำทั้งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ทั้งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ควรที่จะได้ปัจจัยเพ่งชื่อว่าทำเว้นจากปัจจัยไม่มีทำที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์คืออะไรอินทรียคือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือ C, จมูกอินทรีย์คือลิ้นคือกายคือใจที่ไม่มีอินทรีย์เหล่าเนี้ยก็คือพวกต้นไม้หญ้าหินเครือเถาวัลย์เป็นต้นเหล่านี่แผ่นดินเป็นต้นเหล่านี้ย ถามบอกว่าสิ่งต่า ง, างๆเรานี่มีปัจจัยไหมต้นไม้เขาก็ต้องมีรสของดินรสของน้ําเป็นต้นเป็นปัจจัยใช่ไหมฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขามีปจัจจัยเพราะว่าเมื่อฝนไม่ตกหญ้าเป็นต้นเฉียวเนี่ยแต่จะสดเขียวเมื่อฝนตกเป็นต้ น, นตะะเหเล่านีน้นั่นรสเขาเป็นดินรสของน้ํำเป็นปจัจจัยของหญ้าต้นเหลนั้นด้วยประการนั้นฉะนั้นทำที่เรื่องได้อินทรียงทำที่ไม่มีอินทรีย์เขาก็มีปจมัจจัยของเขา ก็มีปุ๋ยมีน้ำมีฝนมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยให้ต้นไม้เจริญย่ากินต้นทำที่เนื่องตัอินทรีย์ตาหรืออินทรีย์คือตาหุ่นจิ๋วเป็นกายใจก็มีวิชาตัะหาักการอาหารเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยทีนี้คําว่าปัดคําว่าอาหารคําว่าสังขารสังขารยกตัวอย่างเช่นขันข้าก็เป็นสังขาร หรือสิ่งที่นอกไม่มีชีวิตดินน้ำเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นทัง้งสารสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยท่านที้บอกว่าอายังโข อ, อาุโสคามว่าท่านทั้งหลายทำหนึ่งอันนี้พระาศาสดาสกุ๊กเราประทับนั่งนะมหาโพธิมณฑลทรง ท, ท, ทําให้แก้ด้วยพระ อ, องค์เองด้วยสัพพัญญติยานแล้วได้ทรงแสดงไว้อันเป็นธรรมหนึ่งที่ท่านทั้งหลายพึงสังคายนาพร้อมเพียงกันไม่โตเดียกัน ท่าภาษาดีก็เลยบอกวันนี้มีทำหนึ่งอย่างก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารตรง น, นี้ว่าพระสัจจะผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นเนะี่ยในสัจจะที่โพธิบัลลังกนะ์ได้แทงตลอดธรรมะหมวดนี้แล้วก็แปลว่าแทงตลอดสัจจะเลยนะเนี่ยท่านบางท่านนี่นะที่ท่านมียานบา ร, รมีเยอะๆเนี่ยนะบุญบา ร, รมีมากๆปังแคนี้ท่านจะ ร, รู้เนี่ย ท่านรู้นันตีว่าอย่างสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ดนะ้วยอาหารท่านพิจารณาทันทีว่าอาหารลปัจจัยท่านพูดถึงในเรื่องของสมุทยัยต่างๆเหตุของปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เมื่อพูดถึงเหตุพูดถึงในปัจจัยของพูดถสัตว์เนี่ยสัตว์ก็คือว่าสรรตัตว์มีขันห้าใช่ไหมสัตว์ีมีขันสี่ขันหนึ่งเป็นต้นที่อยู่ในกาลมาพบรูปพบอารมูปพบอยู่ในสัญตีพบอันตีพบเนวสัญญีนาสัญตีพบ เ, นะเป็นต้นเหล่านี้สัตว์เหล่านี้ก็คืญญอ สภาพความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์ประสาทพวกแต่ปัจจัยหรืออาหารของสัตว์เหล่านั้นก็เป็นสมุทัยสัจจะถิ่นต้นความไม่เป็นไปของอาหารความไม่เป็นไปของสัตว์เหล่านั้นก็เป็นนิโรธาสัจจะสติปัฏายสิ่นนิโรธก็เป็นมรรสต์นี่นะท่านกาสรุปทรงอริยสัจนะต่อมาคือยะทะยิทังธรรมะจริยญตีฆะตั้งขายะมานานังตุมห้าทางอีทางศาสนธรรมะจริยอัคฆะนิยังอัจจั คำว่ายะถายี่ทางธรรมจารยาก็แปลว่าศาสนาธรรมจารย์นี้ตั้งตั้งมั่นอยู่ได้ดังที่ดังที่เมื่อท่านทัง้งหลายสังขยาอยู่คือคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะว่าเราทรงจำและวัานนําไปขัดใส่ใจตลวงพิธีบัติใช่ไหมศาสนาไม่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในตู้แต่อยู่ตรงที่ว่าเราจาคําสอนได้ เราคิดดว่าทุกความคิดของเราศีลก็อยู่ในใจสมาธิปัญญาเป็นต้นก็เป็นพฤติกรรมของเรามาแสดงว่าท่านผู้นั้นี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือตัวาศาสนาเนี่ยอยู่ในใจทั้งท่านเลยนั้ น, น, นาศาสนาในพุทธาศาสน า, สานี่นะให้สังเกตดูนะว่าพุทธาศาสนาเนี่ยถ้าอยู่ในจิตใจของใครเนี่ยท่านผู้นั้นก็กําจัดที่้งยก็จะดีนี่ก็เรียกาศาสนากรรมฐานประการต่อมาคือว่า เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกล่าวท่านทั้งหลายทำหนึ่งอันพระสากษาตัดไว้ชอบมีอยู่ทำหนึ่งเครือลายสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงดำรงอยู่ได้เพราะสังขารอย่านี้ภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังคํากล่าวของภิกษุรูปนั้นแล้วก็บอกกล่าวกันต่อไปใช่ไหมสรุปแล้วก็คือเราก็ได้ในสังขีปีสุดเราได้หมวดหนึ่งทำหมวดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารกับสัตว์ทั้งหลายทั้นพวงดำรงอยู่ได้ด้วย <ศ> <BE> สงังารล็ช่วยบอกคำสอนเัีต่อๆ่อนี่เขาเรียกว่าเป็นเยื่นแหการหวยแต่ว่าศาสนาเขาจะทาให้ศาสนานั้นเจริญเจอไปก็เจอใครก็ไปสกิดเลยรู้ยังทาหมวดหนึ่งเพื่ออะ้รเป็ิประจิตเขาไม่รู้นั่งลงเนี่ยเราจะกล่าวเราไปนั่งอยู่ในอาสนะลุ่สูงนี่เขานั่งอาสนะต่ำๆเพราะคนจะแสดงนำต้อนั่งอาสนะสูงคนต่ำๆตาองนั่งาบอกเขในหลวงเนี่ยเวลา ถึงวันคนวันพระอาวันพระีนพระจ้าิพันธ์มานั่งฟังมาทำด้วยท่านเททุกทุกวันพระเราก็ออกบ้างใช่มมีลูกมีหลานนะวันนี้วันพระได้เจ้วันใหญ่ทำไหับไม่ไม่มี ปังหาอุบายยังรอยังได้แล้วมันไม่ได้มันมีมันมีวัดมันมีบางแห่งนะเออเขาบอกว่ามันมีบางวัดเลยแปลกท่านถ้าตามกันเน้นท่านทำไม่ถูกหรอกคือว่าเน้นเน้นก็ไหนไปทำวัดไม่ขาดแล้วก็เขาให้พอถึงเดือนแล้วเขาก็งั้นสำหรับเขาก็คิดเขาก็มีก็มีรางวัลนะก็มีรางวัล ถ้ามีโรคมีหลานก็ลังทำนั่นเป็นมันคีนี่ว่าใครมาปักคำทุกวันสร้างดีรางวัลอีกรูปหนึ่งได้ฟังก็บอกกันต่อต่อไปเนยด้วยประการอย่างนี้เราลงมาจันนี้ก็จักํารงอยู่ตลอดกาลนานเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่ ก, กุ๊บเพื่อกูรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกท่านพระธรรมสัจทำเสนาวดีสาธิบุตรเถระได้แสดงสามัคคีรถด้วยอํนานาจที่ทำบวชหนึ่งด้วยประการอย่งนี้อันนี้ อันนี้บอกว่าเอกากากวันมานานิทิจรารจบอัจฉริยะหมวดหนึ่งอนี้จบหมวดหนะนึ่งนะมันจบและหมวดแรกต่อไปสถุป ก, กันสังคีตีหมวดสองสุป ก, กังเป็นสองต่อมาก็อธิโคาอาุโซโเดนาปะกวาชานต า, ต า, าตาปัสตาอร่าตาสัมมาสัมพุทเทนะทเวธรรมาสัมมาทัคขาตาถุตนนะนะท่านผูมิยัยุทั้งหลายทําหมวดและสองประการที่พระผู้มีพระภาพ ญาติผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นท้ า, าราะสัมมาสัมพุทธเจ้ากราดไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาดกันในธรรมนะเพื่อพรรภ์อาจารย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็ถือว่าการนั้นเพื่ออะไรข้อนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณแก่ขขนคนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออุคอชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อคุณแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกัตเมีเทเวทั้งหมด และสองประการคืออะไรก็คือนามันจะรูปันจักรหนึ่งนามสองรูปคือคำสอนสองมีแค่นี้หนึ่งนามสองรูปนามหนึ่งรูปหนึ่งใช่ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าว่าอย่างถ้าบอกว่าเอาลงคุณชี้ย่อคําสอนของพระพุทธเจ้าดิว่างแค่นั้นนะคืออะไรสัพเพสตตาอารหัตปิฏิกา ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ใจโดยหาเนี่ยมีอย่างเดียวนี่นะบ่อย่อทั้งหมดแล้วเหลือแค่นี้ใช่ไหมจะอธิบายขยายอะไรก็คือแปดมือสี่มันไมรามันเอาลองว่าให้เป็นสองทีน้ำหนึ่งรูปหนึ่งเรียกสองใช่สอมของพเจ้าจะว่าหนึ่งก็ได้ว่าสองก็ไดนะ้ว่าสองก็คือน้ำกับรูปทีนี้คันเมื่อ แสดงสามารถขี่รถด้วยนหน้าแห่งธรรมมวลหนึ่งดังที่กล่าวแล้วเนี่ยพระเถระก็ได้เริ่มเทศนาต่อไปเพื่อแสดงด้วยนหน้าแห่งธรรมมวลสองในธรรมมวลสองก็คือ น, นามรูปนั้นน่ะนามได้แก่อะไรนามก็ได้แก่อรู ป, ประขันธ์สี่อะไรตัวนอรู ป, ประขันธ์สี่นั้นดูดูมันน้อยใช่ไหมนามัำรูปเนี่ยแต่พอขยายเนี่ยมันมาก นามมันมีสี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเวลาเราสวดขันว่าเวนรูปขันออกไปเส่วนรูปขันก็คือรูปนั่นแหละทีนี้คำว่านามเนี่ยนะคำว่านามเฉยๆนะถ้ายังไม่เอารูปยังไม่ได้เอาเกี่ยวกังในเรื่อ ง, งต่างๆเข้ามาหรื อ, อไม่เอาคำว่าขันเนี่ยมาม า, มาเกี่ยวข้องเนี่ย กินความไปถึงพระนิพพานด้วยคำว่าน้ำเนี่ยนะกินความไปถึงพระนิพพานด้วยทีนี้น้ำเนี่ยในบรรดานามเลยจิตก็เป็นนามคือวิญญาณขักฐานมือหรือจิตส่วนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์นิสขันขันธ์นั้นเป็นเจตสิกคือธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตกลุ่มเหล่านี้เป็นนามาขาันธ์ ทีนี้ว่าน้ำเนี่ยนะเหตุที่พระพุทธเจ้าจแสดงน้ำหนึ่งรูปหนึ่งเนี่ยเพื่อต้องการแยกให้เห็นสภาวะความจริงของปรมาภิธรรมโดยส่วนมากที่เราได้นทั่งหลายเนี่ยที่เราไปยึดเราไปติดกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราไปเห็นด้วยความเป็นตัดเป็นคนเป็นหยิบเป็นญ้ายหมดเลย เราไม่ได้ไปเข้าไปเห็นเลยวามเป็นนามแล้วเป็นรูปจริงๆพระเจ้าแสดงธรรมะหมวดสองก็คือว่าน้ำหนึ่งรูป น, นามเนี่ยคือมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะในตัวจิตเนยนามธรรมที่เรียกว่าจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตก็คือการรู้อารมณ์รู้อารมณ์รู้อารมณ์กลางตางหูจมูกเป็นการใจเป็นต้นเนี่ยคือลักษณะของเขาคือเป็นไปลักษณะนี้อันนี้นเขาเรียกว่าจิต ทีนี้ลักษณะของจิตที่บอกว่ารู้อารมณ์เนี่ยอ น, นัะเป็นกลุ่มของของนามเนี่ยนะในานามธรรมก่าวคือจิตที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยก็จะธรรมชาติแต่ย่อมคิดฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็ชื่อว่าจิตทีนี้ใ้ความคิดเนี่ยมันมีอยู่สามอย่าง อุหะน่าจินตาคือคิดแบบวิตกวิชาหนาหน้าจินตาคิดแบบจิตคิดปัญช า, ห น, าหน้าจินตาก็คิดแบบปัญญาคิดทีนี้คิดแบบวิตกเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะปัญญาเป็นแยกความคิดไว้เป็นสองส่วนไอ้ส่วนแรกก็คือพวกกลามวิตกพยาบาทวิตกผู้หญิงสาวิตก คิดแบบนี้ท่านสอนให้คิดมั้ยท่านห้ามคิดแบบพยาบาทวิตกคิดแบบว่าพยาบาทเขาใช่หรือว่ากรรมวิตกคิดในเรื่องของการองคุณวิหิงขสาววิตกคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยคิดแบบนี้ท่านห้ามแต่ก็เป็นเรื่องของความคิดเหมือนกันแต่ถ้าคิดแบบเนฆามวิตกคิดออกจากกรรม อภยบาทรีิตตบคิดเป็นในเมตตาอาวิหิงสาววิตตบคิดในเรื่องของกรุณาอันนี้ท่านส่งเสริมให้คิดคิดแบบเนี้ยคิดเป็นวันเป็นคืนก็คิดไม่เป็นไรแต่ท่านห้ามคิดแบบการมาวิตกบอภยบาทวิตกบอวิหิงสาวิตกท่านสนัจสนุนให้คิดแบบเนคขมาวิตตอภยบาตวิตกอวิหิงสาววิตกทุกคนเนี่ยต้องคิดกันอยู่แล้วใช่ัหม ก็ดูว่าเออเราคิดยังง น, นี่ก็เรียกว่าคิดทีนี้ปัญญาก็แปลว่าคิดเหมือนกันแต่ปัญญาเนี่ยมันคิดยังไงรู้ไหมหนึ่งคิดเข้าหาปจัจจารลักษณะคือลักษณะของรูปนามกับสองคิดเข้าหาสามัญลักษณะคิดเข้าหาความไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นะนามธรอันนี้คือปัญญาแต่ในทีน่นี้พูดเรื่องจิตจิตเนี่ย มันมีวิจิตอยู่หกประการก็ถือว่าหมู่สักวิจิตเนี่ยสักในวิจิตเพราะอะไรวิจิตจิตวิจิตเพราะสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตเพราะตระหนาวิจิตตระหนาวิจิตเพราะกรรมวิจิตกรรมวิจิตก็เพราะกําเนิดวิจิตกําเนิดวิจิตก็เพราะสักวิจิตฉะนั้นสักทั้งหลายที่วิจิตมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ในอากาศหรือว่าในการอบรมลูปวงรมลูกโบเนี่ยนะที่มันมีความวิจิตรพิสดานเนี่ยถามว่าอะไรวิจิตรเพราะกําเนิดบางกลุ่มก็มาเป็นประเภทสังเสริฐเชากำเนิดโอปปาดีกาตกาเนิดชลาพุชะและข้าพเษยะก็คือบางพวกก็เกิดในครันบางพวกก็เกิดในไข่บางพวกก็เกิดในยางเหนียวบางพวกก็เกิดสดโตขึ้น นั่นสัตว์ต่างๆวนนี้ที่มันวิจิตเพราะมัมาจากําเนิดไอ้กาเนิดมันวิจิตก็เพราะว่ากรรมการกระทําทางกายทางวาจาทางใจมันวิจิตเออทำไมสัตว์ต <mutta> ่างๆนี um. ้ไปได้กําเนิดต่างๆเหล่า <sever> น <cookies. S 2> <s> ั้นเออทําไมบางกลุ่มไปเกิดในน้าเป็นพวกเกิดในยาหมิ่นีหลวบ้างบางพวกทําไมไปเกิดในคันบางพวกมันไม่ไปเกิดในไข่บางพวกมันไม่ไปเกิดในเท่าไข่บางพวกทําไมไปเกิดคุดโตขึ้นหรือกยังไง ที่ทํำไปเป็นกายกรรมวิจีกรรม โ, มโนกรรมเจตนากรรมที่ทําลงไปนี่แหละเป็นตัวจําแนกได้ลงเนื้อต่างกั น, ก น, นไอ้กรรมวิจิตเพราะอะไรวิจิตเพราะตัณหาตัณหาคือความอยากใช่ไหมนั่นการทำกรรมที่บวกกับตัณหานี่แหละมันเป็นอย่างเหนียวนั้นไอ้การทำไมเราถึงทํากรรมทางกายทางวา จ, จาเพราะเรามีใจหนแล้วไอ้ตัณหาในวิจิตเพราะอะไรสภาวะสัญญาคือจาวตานจำได้ไง ไอ้สัญญาวิจิตเพราะอะไรเพรจิตฉะนั้นไอ้จิตวิจิตเลยเป็นเหตุให้สัญญาวิจิตสัญญาวิจิตก็เป็นปัจจัยตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตก็เลยทําให้กรรมวิจิตกรรมวิจิตก็เลยเป็นปัจจัยเกิดกําเนิดวิจิตไอ้กำเนิดวิจิตก็เลยเป็นปัจจัยเกิดสัตว์นั้นวิจิตแตกต่างกันออกไปงั้นที่เราเห็นกันมากมายเนี mm ่ยมันมีปัจจัยมาลักษณะเลยเขาจะยากยากไม่ยากเย ฟังจนปัจจัยนะฉะนั้นเรื่อจิตเนี่ยเคลือบจิตนี้เป็นนามประการต่อมาก็คือว่าจิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าประารต่อมาก็จะเป็นประธานหนุเจริญสิกและกรรมนชรูปแล้วก็มีการติดต่อตลองพวกเก่าพวกใหม่เป็นอาการปรากฏกำมีสขันา์ หรือมีอารมณ์บอวัตถูกหงุเหงิดนมถ้าจิตอี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาสรูปารมณ์ตัณารมณ์ขันธารมณ์เนี่ยจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาใส่จักขวัตถุโสตตวัตถุขันธวัตถุจิวหาวัตถุกายยวัตถุหายวัตถุเนี่ยจิตเข้าใสวัตถุเหล่านี้เกิดขึ้นบางทีก็ใสตาเกิดบางทีก็สหูใส่จมูกใส่ลิ้นส่กายแล้วก็ใสสัตยะมันก่งไใสอยู่เนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยนก็มีตกต่างเหล่านี้เป็ เ, ออเวลาเราศึกษานามธรรมาทําไมต้องนามเนี่ยทำไมต้องรู้แล้วทำไมต้องไปรู้ทีกต่างกับเขาถ้าอย่างนั้นเราจะกําหนดเข้าไม่ถูกเห็นไหมว่าอาศัยตาและรูปเนี่ย mm hmm. เกิดจากขุยยาเห็นไหมว่าเพื่ออาศัยตาในที่นั้นเคืออาศัยจากรวาลศาตรอาศัยรูปนั่นคือสีแล้วก็จากขุยญยญ ถ้าพอมีสีขึ้นมาปุ๊พอมีสีพอมีตามีสีเนี่ยนะไอ้ตามีอยู่แล้วสีมีอยู่แล้วแต่ถ้าสีนั้นมาปรากฏเฉพาะหน้าไอ้สีนั้นจะมาเป็นปัใจจัยให้จักรคุณยานคือจิตเกิดตันดีเลยเออแปลกมากไอ้ยังยกตัวอย่างเช่นว่าเราเราไอ้เราไม่ได้ตรงเนื้อเนี่ยนะแต่เรามองไปงั้นเราไม่เห็นหนังสือกองนี้ทีวางอย่อันนี้จักรคุญยาน แต่สีนี่ก็ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่เป็นปัจจัยให้กับจักรกุญญาธันตาที่จะเห็นที่เกิดแต่พอเราเหลือปุ๊บมาตรงเนี้ย ม, มันได้ปัจจัยเลยเนี้ยหนึ่งรูปารมณ์ปร า, รปปรากฏเฉพาะหน้าตาก็ดีแสงสว่างก็มีแล้วมีมนณฑสีกางคือปัญจทวารเวชนาเป็น้ัวฉะนั้นไอ้ตัวสีเนี้ยสีเนี้ยมาเป็นปจนัจจัยนะเขาบอกสีนี่กับจักประสาแเนี่ยเหมือนเป็นอายตนาเชื่อมต่อกัน เขาเลยมาเป็นปัจจัยให้ตัวจักขุญญาณเกิดขึ้นนั้นตัวจักขุญญาณเกิดขึ้นก็นมาทําหน้าที่ทัศนคติคือเห็นสีแล้วเป็นนี่ยนทะ่านบอกว่าสีเป็นปัจจัยให้เกิดผิดแล้วพระพุทธเจ้ า, าวเวลาตั้งชื่อเนี่ยจักขุญญาณเนี่ยอตั้งไปตามอะไรเพราะวิญญาณนั้นสายตาเกิดก็เรียกว่าจักขุญญาณ เหมือนตั้งชือไฟนะถ้าไฟอาศัยไม้เกิดเ็าเรียกไฟไม้ถ้าไฟนั้าอาศัยฟางเกิดขึ้นกไฟฟางใช่ไหะไฟอาศัยืนเกิดขึ้นเขาเรียกไฟปืนทีนี้ไอ้วิญญาณมาสายตาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไล้บอกว่านี่จากขูวิญญาณเลยคือวิญญาณกางนาเลย วิญญาณพอไปใสหัเกิดเรียกโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกเกิดเรียกคานวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นเกิดเรียกชิ้นหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายเกิดเรียกกายยวิญญาณวิญญาณอาศัยใจเกิดเรียกมโนวิญญาณเช่ไหมเรียกไปตามความเป็จริงของเขาไปตามความเป็นจริงว่าเขาอาศัยอะไรเกิดชื่อเรียกนี่เป็อย่างนี้ฉะนั้นตัววิญญาณเนี่ย เวลาเวลาศึกษาวิทยาณเนี่ยไม่ใช่รู้เฉพาะตัวที่เดียวต้องไปรู้ด้วยว่าน้ำห น, นึ่งรูปหนึ่งเนี่ยว่าเออน้ำในกามภูมิในรูปละภูมิเนี่ยเนอะในปัญจโวกาลภูมิเนี่ยน้ำรูปต้องอาศัยกันแยกจากกันไม่ได้เวลาพูดเรื่องน้ำต้องเชื่อมไปหารูปพูดเรื่องรูปต้องเชื่อมมาหารน้ำถ้าอย่างจะไม่เข้าใจา ขนาดขนาดเชื่อมยังไม่พยายามเข้าใจเลยใช่ไหมทีนี้ส่วนรูป ก, กาดูลักษณะของรูปวนน้ำก็ดูเข้าข้าวดูวะนิทรานาสัญญาสังขารวิญญาณก็ก็ก็แค่ไม่แตกต่ก็เป็นนามธรามมีการน้องไปเป็นลักษณะหึงก็คือมีการน้อมไปส่วนรวมเป็นลักษณะมีการเกิดกันกับจิตนามนั้น เป็นมีเองเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันอาศัยวัตถุเดีกที่เกิดันเดียวกันมีการไม่แยกกันกับจิตเป็นอาการประกบแล้วก็มีตัวจิตหรือวิญญาณมาเป็นเหตุกล้อันนี้เป็นกลุ่น้าเป็นยังงเดี๋ยวเราศึกษาอย่างนี้แล้วพอจะมองเห็นแค่การการปฏิบัติทางด้านการเจริญวิปัสสนา ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักนามรู้จักลูกเวลาเขาไปบอกว่าเออให้กําหนดลูกกาหนดนา้ำเนี่ยก็คือในตามหมองนี้ว่าเวลาศึกษาอย่างนี้ก็ประจับประเด็นให้ถูกประจับประเด็นถูกแล้วก็ก็จะได้เขา้าใจคือการศึกษาในเรื่องของนา้ำบางลูก ทีนี้ส่วนรูปนะแต่รูปก็คือว่ามีการสลายแปรปวนเป็นลักษณะมีการกระจัดกระจายไปเป็นกิจมีความเป็นอัปยาตต์ปิณการปรากฏแล้วก็มีวิญญาณมีใกล้รูปเนี่ยลักษณะของเขาก็คือว่าสลายไปเพราะเย็นบ้างร้อนบ้างเขาเรียกวิโลชีปัจจัยลักษณะของรูปเป็นอย่างไง เราเวลาเราศึกษาในเรื่องของรูปเนี่ยเราบอกเอสรลักษณะของรูปมันเป็นยังไงแล้วก็บอกรูปนั้นมีการแตกสลายไปเป็นลักษณะในการศึกษาในเรื่องของรูปเนี่ยก็ต้องไปดูห ล, หลายส่วนนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ไม่ศึกษาไม่ดูรายละเอียดของเขาแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็จะไปอย่างเช่นการแตกสลายเนี่ยการแตกสลายของรูปเนี่ยเขาบอกว่ารูปเนี่ยธรรมชาติการย่อมแตกสลายเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปก็แปลว่าสภาพที่แตกสลายคําว่าสลายนั้นหมายถึงสันตติสลายเนี่ยทีนี้บอกว่ารูปมีการแตกสลายเป็นลักษณะนั้นน่ะมันแตกสลายนั้นมีอยู่สองอย่างวัฒนาขหา ย, ยานะการแตกสลายของรูปเนี่ย ถ้าวัฒนาเนี่ก็แปลว่าเจริญขึ้น่าการเจริญขึ้นในรูปแตกสลายไหมสมัยเด็กๆแล้วมันก็เจริญขึ้นมาตามลําดับไอ้รูปเด็กๆมันแตกสลายไปไอ้รูปโตตขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะสมมติว่าเซลล์ต่างๆทุกอนูของร่างกายเนี่ยมันแตกสลายไปหมดแหละ้วมันก็เปลี่ยนเซลล์ของร่างกายมาใหม่เรื่อยๆก็เลยรูปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฒนะเขาแปลว่าเจริญขึ้น แต่เจริญขึ้นก็เรียกว่าแตกสลายอย่างเราท่านทั้งหลายที่ผ่านการแตกสลายมามากแล้วประกาต่อมาคือหายเลยนะมี่เสื่อมลงเสื่อมลงก็คือว่ามันไม่ขึ้นอีกแล้วมันขึ้นถึงสุดแล้วถามว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยต่อเทศวัฒนาหรือหายเลนะเสื่อมแล้วดนะั <c oughs> งนัน ไ, ไม่มีไม่มีเจริญแค่อีกแล้ว ก็ก็คนเราอาจจะประมาณน่าจะยี่สิบห้าน่าจะหยุดโตแล้วนะหยุดยุดเจริญแล้วนะคนเราอันนี้เลยยี่บหากว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าหายแล้วนะก็ตรงนี้ก็ซื้อรูปนะเ่อ <c oughs> มันมีลักษณะแล้วก็เราก็ไปพิจารณาแล้วก็ไปไขตัวนอ <c oughs> ตอนนี้มันไม่ใช่วัฒนะแล้ว หอยนาอีกคนนมงก็ชอบฟังเนีัพท์เนี่ยหยนาเนแต่ตรงๆก็ถ um ือว่าวิบัติเสื่อมเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆคือแม้ว่าพูดถึงเสื่อมลงเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องพยายามชะลอชะลออย่าให้เสื่อมเร็วยิ่งเกินไปอะไกแต่ป้องกันกันสุดีนเยนะป้องกัน ได้แค่ไหนแค่ไหนแต่ลองทุกคนไ่คนค้ากันหน้าเดินเลลองดูตามหน้าเดินหือพิมพ์วิทยุออรอยทาแรงต่างนเนี่ยเขาจะมียายาบำรุงยาอะไรต่างๆสารพัดแล้วก็วจะล้อปัามแก่ระหวางให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดกา ร, รากนเน่อง่างวันนี้วิจารณาดูแล้วก็จริ ง, รงๆแนละ้วคือ หายยันนะลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเสื่อมลงแนละ้วอันนี้คือรูปนะส่วนนิพพานเนี่ยเป็นนามเหมือนกันนิพพานนั่นจะและนิพานก็จกัดะก็เป็นนามความเร่าร้อนในวัฏจัในวัฏจัทุกคือทุกท่านปวงย่อมดับไปโดยธรรมชาตินะั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่านิพพานความดับเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเนีย การมารู้ถึงส่วนอันควรเกี่การไม่เกิดอี ก, ากการมารู้ถึงส่วนอันควรเกี่ยการเกิดอีกดับเนี่ยนะหมดับแล้วไม่เกิดอีกต่อไปนี่นะลักษณะของพระนิพพานนิพพานนั้นมีความสงบเป็นลักษณะดับในที่นั้นก็คือว่าดับกิเลสและรูป น, นามกันนะโดยในพระพุทธศาสนาเนี่ยมองว่า การเยียนไหวาตายเกิดการเป็นไปของขันธ์ธาตุยตนะมันเป็นวัตถุมันเป็นความทุกข์มันเป็นความทรมานใช่ไหมก็เหมือนกับที่ว่ามันจะเกิดกสนดิ้นรนกันแต่ว่าถ้า ด, ดับได้ไม่เกิดอีกอันนี้ว่าถือเป็นความสมบูรณ์ถือเป็นความสมบูรณ์อันนี้ก็ก็ไปที่เจรน า, าอยู่ทีนี้ว่า คำว่าน้ำท่านม้แปลว่าเขาอาจจะนน้อมไปก็คือการกระรกทำชื่อเขาไปยกตัวอย่างว่าพระเจ้ามหาสมมติหรือพระเจ้ามหาสมมุตินี่เนึ่ยก็เพราะมหาชนสมมุติยกย่องหมายรู้พร้อมพร้อมเพียงกันขึ้นพ่อแม่ตั้งชื่อเป็นที่กําหนดหมายแก่บุตรอย่างนี้คนนี้ชื่อติดสาคนนี้ชื่อขุศสาเป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า แม้เวทนาสัญญาสังขารเป็นต้นก็ฉันนะไม่ได้ไม่ได้เป็นไปในลักษณะอย่านั้เขาบอกว่าอีเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันไม่ใช่เป็นชื่อที่ตามงเพแต่เป็นชื่อที่มีอยู่จริงเป็นไปอย่างนั้นเป็นชื่อที่มีอยู่จริงไม่มีใครที่มากล่าวเจ้าเวทนาเจ้าจงชื่อนี้เจ้าสัญญาเจ้าจงมาชื่อนี้นี่เป็นต้นเลยเนี่ยคือเป็นไปตามสถานะของสารมัธิษ ไม่ใช่เป็ น, นบัญญัติตั้งขึ้นในลักษณะอย่างนี้เออพี่ก็ให้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้